ถราทำเทศนาแผ่นที่7จลำดับที่17โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่19ตุลาคม2557มีชื่อเรื่องว่ายึดไวส3มหลักใหญ่พอจุดจิตผู้เห็นไม่มหมดทลยสงสัย อีแม่บอสบายภาษาทางอีสานเขาวอิแม่เดียวน่อยภาษาพุทธายอิแม่อีพอคนหลุดใหม่เลยเขาบอกมึงคนหลุนใหม่เ็กหน่อยเอิญอิพอท่นมึงจะไปเอิญกูอีแม่กูเป็นผู้ชายป่เอ้าบักพ่อทนโอ้โหหม่ให่ใหญแกปวดแกโพดลูก อย่าไปเอิ่นบักพอดแต่คนบวรลานเขามีแนวบอเลยทุกหลานเนียบอเหลือเป็นตะยักหัวว่ะการบ อ, บอให้ลูกให้หลานฟังมันมันดมเหัวเ่อได้หัวก็ค่ายเขียดมาเมื่อวานวันก่อนวันที่สิบหก วันที่16หลวงพ่อไปวัดรวมธรรมวัดใหม่วัดท่านรัตนะพระจำพรรษาหกรูปบ้านห้วยวังโตนตำบลสมเศร้าอำเภอเพนจังหวัดอุดรห่างจากอุดรไปประมาณสัก20กว่ากิโล ทาวิ่งรถสบสบายก็ประมาณสาสนาทีจากอุดรเข้าไปวัดแห่งนี้หลวงพ่อก็ไปพักตั้งแต่วันคืนวันที่สิบหกวันที่สิบเจ็ดเช้าหลวงพ่อก็ได้พูดปรารบเรื่องงานวันที่สิบแปดเมื่อวานเป็นวันกระถินวันที่สิบปดเมื่อวานเป็นวันงานกริน วัดรวมธรรมทอดกรถินบริษัทกุงศีโอโต้เป็นประธานใหญ่แล้วก็มีเจ้าภาพสองสามเจ้าภาพมาแสดงความจำนงคนละแสนขบาทแต่กุงศีโอโต้ล้วก็รวมกันทั้งหมดเมื่อวานเนี่ยหลวงพ่อสอบถามดูเมื่อเช็คเรียบร้อยแล้วได้เงินทั้งหมด หนึ่งล้านหกแสนกว่าบาทแล้วก็ปัจจัยที่หลวงพ่อประกาศในที่นั่นอีกว่าเออศรัทธาญาติโยมลูกหลานใครจะสร้างกุฏิพร ว, วัดนี้เป็นวัดใหม่จะสร้างกุฏิตระกูลไหนจะสร้างกุฏิพ่อแม่ปู่ย่าตายายจะสร้างกุฏิก็รับนะเพราะว่ายังไม่มีกุฏิพระ ก็ประมาณสักเจดปดหลังอย่างมากน่าจะพอหลังละประมาณแสนห้าประมาณนี่แหละเป็นโครงเหล็กฝาเซนลาพื้นปูนซีเมนถ้าเป็นไปได้ก็มีห้องน้ำด้วยเล็กๆประมาณแสนห้าน่าจะพอถ้าไม่พอก็คงจะหาเพิ่มอีกก็คงจะไม่มาก หลวงพ่อวักกะไว้ประมาณแสนหะ้าเนอะูกล้านก็มีคนแสดงความจำนงเมื่อวานนี้สิบหลังนะสบหลังหลังละแสนห้าก็คงจะเป็นเงินประมาณล้านกว่าบาทในก็มอบให้ทางคณะกรรมการวัดรวมธรรมเป็นผู้ประสานติดต่อจากเจ้าภาพเนอะนะเมื่อวานหลวงพ่อกลับมาก็ ตอนบ่ายมาถึงวัดวันนี้เป็นวันที่สิบเก้าวันอาทิตย์ที่สิบเก้าตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดพระในวัดของเราผู้ที่เข้ามาบวชในพันสาติดลาออกมาเป็นข้าราชการพ่อค้า นักธุรกิจพอ อ, อพ้อพรรษาแล้วก็ได้ลาซื้อขาไปก็หลายหลายคนก็ยังมีอีกอยู่อันนี้ก็คือการหมุนเวียนเปลี่ยนในการบวชในพรรษาพรรษาพระปีนี้ทั้งหมดก็ทั้งบวชในพรรษาด้วยก็40องค์นะบวชในพรรษาก็มีแล้วก็ บวดก่อนเข้าพรรษาก็มีแต่ถึงยังไงก็ตามคนทางอีสานของเราเนี่ยได้ยินทางพ่อค้านายทุนเจ้าของบริษัทห้างร้านก็ว่าคนอีสานถ้าแห่กันเข้ามาทำงานเป็นสิบแต่ว่านายจ้างเนี่ยตำาหนิคนคนหนึ่งหรือสองคนที่นิสัยไม่ดีคนนั้น กลุ่มนั้นนะ่ะเขาจะลาออกทั้งกลุ่มเลยนะอันนี้นะคนทางภาคกลางแนละ้วบริษัททางร้านทางหลายเนะี่ยเขากลัวกลัวคนทางอีสานถ้าจะว่าไปอลไรก็คือเหมือนรักหมู่รักเพื่อนคนหนึ่งไปคนหนึ่งก็ต้องไปลักษณะอย่างนั้นแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อนิสัยหลวงพ่อเนี่ยสมัยอยู่กับหลวงปู่ล่าเวลาหมูเข้ามาบวชแล้วมาอยู่ด้วย เวลาหมู่ไปก็คิดถึงหมูอยู่คิดถึงอยู่นะไม่ใช่ไม่คิดถึงแต่ว่าเรามีความนึกคิดอยู่ในใจว่าอันนี้เรื่องของใครเรื่องของเรากรรมของใครกรรมของเราหน้าที่ของใครหน้าที่ของเราเราจะไปตามอย่างที่เราอยากจะไปไม่ได้แต่หมูไปนะเออเอาก็คิดถึงอยู่เวลาหมูมาอยู่กับหลวงปู่ล่าออกพรรษาแล้วก็ ลาไปเที่ยวทุรงบ้างลาไปเที่ยวแล้วก็เลยไปทุรงบ้างเลื่อไปทุรงเลยก็มีก่อนที่จะไปเขาก็เป็นพระอยู่ด้วยกันเป็นเนนอยู่ด้วยกันเขาก็ต้องพูดให้ฟังว่าจะไปยังไงไปยังไงแต่เราก็อยากจะไปอยู่แต่ก็เราก็อยู่กับหลวงปูล่ลาแต่แต่มันชั่วข้าวเท่านั้นเอง พอเห็นลายเพราะมันมาพิจารณาดูแล้วการไปและการอยู่ของของคนมันของใครของเราเหมือนกับคนตายอย่างนี้แหละตายเป็นเรื่องของเขาเราจะไปตายด้วยก็ไม่ได้เวลาไปเทียบทุตงก็เป็นเรื่องของท่านท่านไปภาวนาของท่านจับปายะของท่านเราจะไปทำอย่างนั้นก็ไม่ได้ถ้าเขาลาสิกขาไปใช่เขาลาสึกขาไปทาการทางาน ตัวเองลาสึ่ขาไปนะทำยังไงไปหากบธหาเกียดอย่างนั้นใช่ไหมือสิ่งเหล่านี้เราต้องได้คิดทบทวนดูในการเป็นอยู่ของเราเพราะนั้นหลวงพ่อเองอยู่กับหลวงปู่ล่าแต่เป็นสมณีอายุสิอย่างส2ปีจนถึงได้บวชเป็นพระอยู่กับหลวงปู่ล่าตลอดเลยไม่ใช่ว่าไม่คิดนะเวลาหมูพวกเพื่อน มาอยู่ด้วยแล้วก็ลาหลวงปู่ไปเที่ยวทุ่งหรือว่าไปเที่ยวหรือไปเรียนหนังสืออย่างเนี้ยแต่เราก็ต้องฟังหลวงปู่ล่าแต่เรื่องเรียนหนังสือนะเราก็อยากจะเรียนแต่ไม่รู้เมื่อเรียนไปแล้วปานนี้อาจจะเป็นครูหรือเป็นอะไรก็ไม่ทราบเราะเพราะว่ารุ่นพี่พรุ่นน้องๆที่บัวก็หลวงปู่ล่าพอเสร็จแล้วก็ลาไปก็นั่นไปเป็นครูก็มีบทเรียนหนังสือแล้ว โดยมากไปทางโลกซะมากกว่าวันนั้นหลวงปูล่ละท่านจึงห้ามหลวงพ่อนี่เออมาให้เรียนหรอกท่านเรียนแล้วใจแตกเอาเอาหนังสืออ่านศึกษาท่านหลวงปู่ท่านก็ให้หาหนังสือธรรมะชาดกต่างๆหรือธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์หรือพระไตรปิฎกทั้งพระสูตรทั้งพระวินัยทั้งพระประมัตรธรรม แต่ประมัตหลงพ่อไม่ได้อ่านอ่านแล้วรู้สึกว่ามันไม่เข้าใจสับสนพูดกลับไปพูดกลับมาพูดกลับไปพูดกลับมาเพราะพระอภิธรรมพระประมัติธรรมถ้าอ่านดูแลนะี่ถ้าจับเงื่อนไม่ได้โดยมา ก, กไม่ได้แต่พระสูตรอ่านเกือบทุกสูตรหรือชาดกเกือบทุกชาดกหรือสาวกประวัติหรือพุทธประวัติหลวงพ่อจะอ่าน แต่เรื่องพระอภิธรรมครูบาอาจารย์ท่านก็นจับประเด็นให้ฟังว่ามีหลักอยู่สมอย่างกุสลาธรรมมาจิตที่เป็นกุศลอากุสลาธรรมมาจิตที่เป็นอากุศลอัพยากตาธรรมมาจิตที่เป็นกลางๆไม่เป็นบาปไม่เป็นบุญเลยอัพยากตาจิตนี่แหละมีสมอย่างจากนั้นก็ขยายผล ขยายผลออกไปว่าจิตที่เป็นกุศลนั้นเป็นอย่างไงจิตที่เป็นบาปเพระกุศลนั้นเป็นอย่างไงจิตที่เป็นกลางกลางกลางๆงอย่างไงอธิบายอะไรกัเนเลยเรียกว่าเรื่ปรมัตถธรรมเรื่องพระประมัตหรือพระอภิธรมรมขยายผลออกสามหลักจุดหลักเรื่องพระวินัยก็คือกฎระเบียบเรื่องพระสูตรก็คือเรื่องราว การเป็นมาของพระพุทธศาสนาหรือเป็นมาของพระสาวกแต่ละองค์สาวิกาหรือว่าศรัทธาญาติโยมหรือว่าเป็นการเป็นมาในยุคนั้นสมัยนั้นหรือว่าหรือว่าอาดีตชาติของพระพุทธองค์เรียกว่าชาดก500ชาติ50สชาติสิบชาติของพระพุทธเจ้าสวยพระชาติของพระพุทธเจ้าอันนี้เราก็ได้อ่านได้ศึกษานี่แหละ เพราะนั้นที่หลวงพ่อได้พูดต่างกล้มต่างวาระให้คณะตาญาติโยมฟังนะผมพ่อได้อ่านได้ศึกษามาแล้วก็อ้างอิงมาทางพระไตรปิฎกที่ท่านพูดตัดไว้อย่างนั้นในพระไตรปิฎกอาจจะเป็นพระบาลีหรืออัตถกาถาทั้งดีกาธรรมัตถาธิบายมันมีอยู่ทั้ง3 ส, สามอย่างบาลี บาลีคือเป็นคําพระบาลีเป็นคําของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้มีแต่พูดแต่พระบาลีอย่างเดียวถ้าว่าไม่มีใครอธิบายให้ฟังมันจํากัดเกินไปเนาะฟังไม่ค่อยจะเข้าใจเหมือนกันเป็นพระบาลเีเมื่อมีพระบาลีแล้วอัตถกถาอธิบายอัตถกถาอธิบายเนี่ยอาจจะอธิบายถูกอธิบายผิดอันนี้เราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ตามพิจริงท่านก็เป็นปรารถนา ท่านก็คงจะอธิบายถูกแต่เราก็เห็นด้วยอธิบายอัธกถาแล้วก็ดีทำมัทธาอัธกถาดีกายังมีอนุดีกาอีกอธิบายอธิบายพระบาลีด้วยอธิบายอัธกถาด้วยอธิบายเรื่องนั่นแหละเป็นดีกาแล้วกอนุดีกาคล้ายๆอธิบายสอดแทรกเข้าอีก แล้วก็ทำมัธยานทบายเดินคล้ายๆว่าอย่างหลวงพ่อเนี่ยอธิบายทั้งพระบาลีด้วยทั้งอัตถกถาด้วยทั้งดีกาด้วยทั้งอนุดีกาด้วยแล้วว่าทำมัธยฐานทีบายคล้ายๆว่าจับในคำทำมัธยฐานเหล่านั้นมารวมรวมกันแล้วก็ตัวเองมีความเห็นอย่างไรเนี่ยหลวงพ่อมีความเห็นอย่างไรอันนี้ว่าทำมัธยฐานทบายคล้ายๆว่าอธิบายให้พวก เราท่านทั้งหลายที่นั่งฟังเนะี่ยเข้าใจเข้าใจในเรื่องนั้นๆในเหตุผลนั้นๆแต่ว่าโครงสร้างในะอย่างเก่าเป็นโครงสร้างแต่ว่าจะจะให้ถูกทุกคำนั่นก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันทุกคำบางทีมันอาจจะกระโด ก, กระเดกในภาษาของเราแต่ภาษาของเรานี่พูดให้เข้าใจแต่เราโครงสร้างตัวนั้นก็คือโครงสร้างอย่างเก่า อั น, นี้ก็คือที่หลวงพ่อได้พูดให้คณะสัตยาญาติโยมลูกหลานได้ฟังคือสรุปแล้วก็คือลักษณะธรรมมัทธาทีบายอธิบายเรื่องพระธรรมคำสอนของพระพุธทธเจ้าพระอัตกขาพระดีกาพระอนุดีกาให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังนี่แหละหลวงพ่อได้ศึกษามาในพระไตรปิฎกแบบอ่านแล้วก็ศึกษาไม่ได้สอบ ในชั้นภูมิมาหาปเปรียญ เ, เพราะนั้นการที่จะพูดให้ถู ก, ถกต้องออตามพอบรีมันต้องเอาเอาน้ำตำมราเอาตำ ร, รามากลางซะก่อนยังค่อยพูดนะแต่นี่เราอ่านมาแล้วเข้าใจเนื้อหาสาระแล้วก็เราก็มาทำมัธยาธิบายให้กับพวกเรากขะฐาญาติโยมได้ฟังนี่แหละอันนี้ก็คือ การศึกษาและการเรียนรู้ของหลวงพ่อแต่ถึงยังไงก็ตามขอขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านคาราทัทธาญาตโยมลูกหลานทุกคนผู้เข้ามาฝึกฝน เ, เรื่องศึกษาธรร ม, มะทำคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทำสังสอนของพระพุทธศาสนาให้พวกเราเยึดหลักหลักใหญ่คืออะไร หลักใหญ่ก็คืออย่าอย่าคิดชั่วอย่าทำชั่วอย่าพูดชั่วอันนั้นแหะคือหลักแล้วจะทจะทำดีอะไคิดดีทำดีพูดดีแล้วทำยังไงอันนี้เราต้องศึกษาศึกษากเรื่องคิดดีทำดีพูดดีคืออะไรทานศีลภาวนานะนะถ้าคิดชั่วล่ะ ฆ่าสัตว์ขโมยทรัพย์ประพฤติผิดในการก่าวมุสาดื่มสุราอันนี้เป็นพื้นฐานของความชั่วถ้ากันความดีละ่ะมีศีลห้าและก็มีฐานมีศีลมีภาวนายึดพระไตสรสาระคมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นเป็นที่พึงคือยดยดคนดียึดท่านผู้ดีเป็นที่พึงเอาไว เป็นตัวอย่างเอาไว้เรายึดผู้ดีเป็นตัวอย่างเอาไว้ผู้ดีคืออะไรคือพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและกัพระธรรมคําสอนของพระองค์ก็เป็นสว่าคาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าคือพระโสดาถึงพระอระหันในมาในพระไตรปิฎกอนันต์เป็นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า ตลอดถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราที่ท่านปฏิปฏบัติทีปฏิบัติชอบอันนี้ยึดเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างของพวกเราท่านเหล่านั้นทํำยังไงปฏิบัติตนอย่างไรอันนี้ก็คือยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะจากนั้นเราก็มาอธิบายเรื่องทานทานยังไงดูสงเคราะห์ยังไงอันดับแรกการสงเคราะห์การทําทานพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้ว เลี้ยงท่านตอบทดแทนพระคุณของท่านเนี่แหละจากนั้นก็ช่วยทําทบุญทําทานช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายทําทบุญทําทานในพระพุทธศาสน า, ารักษาศีล ก, ก็คือรักษากายว่าจใให้เรียบร้อยรักษาศีลหรักษาศีลนโมสถรักษาศีลสิบรักษาศีลสองิบเจ็ตามกฎระเบียบของพระาจากนั้นเรื่องภาวนาในเรื่องจิตใจเนั้น เรื่องจิตใจเรื่องแนวความคิดจุดนี้แหละเป็นจุดใหญ่เออแต่นั้นคือลากแก้วลากฝอยเออคลายดอกใบเท่านั้นเองแต่ลากแก้วจริงๆแก่นจริงๆของพระพุทธศาสนาเนี่ยคือจิตจิตภาวนาเรื่องภาวนาทําจิตใจยังไงจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิทำจิตใจยังไงเป็นมิตรสาธิติเลยอันนี้เราต้องต้องดูว่า จุดของพุทธศาสนานี่คือตรงไหนคือแก่นตรงไหนคือรากแก้วรากตรงไหนคือเป็นรากฝอยเปลือกกระพี้นี่แหละอันนั้นก็คือนอกอานนั้นคือเปลือกกระพีเพราะหอะไรเราจึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ไปบำเพ็ญอยู่ที่โคลนต้นโพะวันเดือนหกเพนท่านได้ตดรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านทํำยังไง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 ในเมื่อตัดรูปเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วประกาศพระาศาสนาเถิดเมื่อประกาศพระาศาสนาไปจะประกาศแต่ทำอย่างเดียวให้นั่งสมาธิอย่างเดียวก็ไม่ได้คนหมู่มากคนเข้ามาเป็นหมู่ใหญ่ทั้งหญิงทั้งชายจากนั้นพระองค์ก็ต้องตั้งกดและเบียบขึ้นมาอันนี้ก็คือพระวินยัยเถิดคือสินเถิดการอยู่ด้วยกันต้องมีศินในเมื่อมีศินแล้ว ย, ยังไปแล้วเถิดการอยู่ด้วยกันต่างคน ได้อาหารมากับต่างคนต่างกินไม่มีรู้จักแบง่งไม่รู้จักแบ่งปันกันไม่ได้พระองค์ก็ต้องบัญญัติเรื่องทานนี่แหละสรุปแล้วก็คือจุดใหญ่ทีพ่พระพุทธเจ้าตัดสรู้นั่นคืออาสาวกขยะยานยานอย่างรู้ว่าพระองค์ได้ตัดสร้ตัดกิเลสราคะโทสะโมหะกระเด็นกระดอนออกจากพระไทยของพระองค์เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วจะไม่เกิดอีกแล้วเป็นชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วนิพพานังประมังสุขขังถึงนิพพานแล้วอันนี้ก็คือพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพวกเราให้จับประเด็นให้ถูกเพราะฉะนั้นพวกเราอยังไงขี้เกียจขี้คล้านมักง่ายยังไงก็ตามนะเรื่องภาวนาเนี่ยถือว่าพยายามเดินเข้าไปหาจุดหลัก จุดหลักคือจุดปฏิบัติภาวนาจะทำยังไงจึงจะจิตใจจึงสงบจิตใจจึงจะนิ่งจิตใจจึงจะเป็นสมาธินึมื่อจิตใจเป็นสมาธิแล้วจะทำยังไงจะเดินยังไงจึงจะเป็นวิปัสสนาจะทำยังไงจึงจิตใจของเราจึงจะหลุดพ้นจากอาชวกิเลสอันนี้แหละอันนี้คือแนวแถวที่ พระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็นำธรรมคำสอนของพ่ อ, พอแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านจําแนกแจกพระธรรมคําสอนของพุทธเจ้ามาบอกกล่าวให้กับพวกเราเทั้งหลายให้ได้ยินได้ฟังอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าพระบาลีพระอัจฉริยะแล้วก็พระฎีกาและก็อนุดีกา ทำ ม, มัทธาที่บายอย่างที่หลวงพอ่อที่พูดให้กับพวกเราฟังครูบาอาจารย์เคยจะบอลักษณะว่าทำ ม, มัทธาที่บายอธิบายในแนวความคิดของท่านที่ท่านได้ปฏิบัติมายยย อ, อย่างไรรู้เห็นอย่างไรปฏิบัติหลุดพ้นจากอย่างไงอย่างลงตาที่ท่านพูดและจากนั้นท่านก็มาประกาศมาบอกกล่าวให้กับพวกเราให้ได้ฟังอีกเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะถ้าไม่เชื่อในครูบาอาจารย์เอ้า ออกไปฟังไนดะ้อานุติกาว่าอย่งไรดีกาว่ายังไงธรรมะอัตถคถาว่ายังไ ง, มมร ง, ไงพระบาลีว่าอย่งไรเราก็ศึกษาได้พอมันเป็นตำรับตำรามีอยู่แล้วแต่ถึงยังไงจะไปค้นคนว้าถึงขนาดนั้นเถอะนะให้เสื้อในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเนี่ยเอเหลือละท่านจะโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงไปเพื่ออะไรท่านหวังอะไรมีแต่ท่านมีเมตตาสำหรับพวกเราท่านทั้งหลาย ในเมื่อพวกเราท่านทั้งหลายลงมือปฏิบัติพวกเราจะรู้จริงเห็นจริงอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่า น, เ, นเคยเดินผ่านมาแล้วรู้มาแล้วนี่แหละออรู้กับตัวเองเลยนะรู้ที่ใจของตนเองนั่นแหละรู้ทาไม่ใช่รู้ที่ไหนนะไม่ใช่รู้รู้ธรรมดาไม่ใช่รู้ที่สมองนะไม่ใช่จำที่สมองมันรู้ที่ใจมันฝังลงที่ใจเลยรู้ทำมากนะอวันนี้ให้แนวความคิดสาหรับ ศรัทธาญาติโยมลูกหลานตอนนี้ไปรับพร อ, อนุโมทนาให้พร